วันนี้เป็นวันพระใหญ่เป็นวันพระสิบห้าคำ่ำเป็นเดือนสิบสองเพนตรงกับวันที่ยี่สิบพจิกายนห้าศนเป็นวันสิ้นปีในทางจันทรคติแปลว่าอุโบสถเมื่อกี้นี้สวดว่าปริปุนนาแปลว่าปี2550ห้าบเนี่ยบริบูรณ์วันนี้ วันพุ่งนี้ถ้าจะว่าตามจันทรคติก็คือวันปีใหม่เป็นวันปีใหม่ทางฝ่ายรพระสงฆ์หรือว่าจันทรคติไม่เหมือนทางโลกเขาทางโลกเขานั้นเป็นวันที่หนึ่งมกราเป็นวันปีใหม่แต่ทางจันทรคติของเราเนี่ยนับเดือนนะเพราะนั้นวันนี้แปลว่าวันเป็นวันที่สิ้นสุด ออกพรรษามาก็ได้หนึ่งเดือนพอดนะีเป็นวันนี้เป็นวันลอยกระทงของเขาตามประเพณีนะวันนั้นวันนี้ก็เป็นวันอุโบสถของพวกเราด้วยเป็นวันสิ้นปีเป็นวันสินนนส้นงบถ้าจะว่าไปแล้วก็ให้พวกเราทบทวนดูว่าปี2อ5พันี้ยงบดุลของเราเป็นยังไง ขาดทุนกำไรอย่างไรอันนี้ก็อยากจะให้พวกเรานึกย้อนดูเหมือนกันความขาดตัวปกพ้องมันเป็นยังไงทางด้านจิตใจเป็นที่ไว้ใจหรื อ, อยังเป็นที่ตายใจหรื อ, อยังเป็นที่นอนใจได้หรื อ, อยังแต่ถ้าหามว่าพวกเรานึกย้อนหลังดูแล้วไม่น่าไว้ใจไม่น่านอนใจเพราะ เรายังอยู่ในวะตะัตฏะอยู่ในอูที่กิเลสจะถลุงเราอยู่เราก็ควรจะหาทางออกให้ดีกว่านี้ต้องตะเกียกตะกายต้องพยายามอย่านอนจมนอนใจในการเป็นอยู่ของเรามากจนเกินไปนะขอให้พวกเรานึกย้อนหลังเป็นยังไงถ้าว่านึกย้อนหลังดูแล้วเป็นที่ตายใจได้ อันนั้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยแต่ถ้าว่าเรายัางไม่เป็นที่ไว้ใจเราก็ควรจะขมักขม้นไม่ควรจะปล่อยจิตปล่อยใจจนเกินไปในวันนี้ก็เป็นวันอุโบสถจะต้องได้ฟารบกันเกี่ยวกับหลักพระธรรมวินัยแล้วก็การเป็นอยู่ การอยู่ร่วมกันต้องมีกฎต้องมีเกณฑ์ต้องมีก ฎ, ม, ก ม, กฎมีทราำวินัยมีผู้น้อยมีผู้ใหญ่มีผู้มาเกี่ยวข้องหลายระดับเพราะนั้นการเป็นอยู่ของพวกเราให้ตรวจตราดูตนเองอยู่เสมอมองตนเองอยู่เสมออย่าให้ขาดตกบกพร่องในการ ประพิปฏิบัติหรือการเป็นอยู่ของเรานะกิจจะวัดข้อวัดอย่างเนี้ยเราแต่งตั้งกันเป็นมาอย่างไรพวกเราควรจะปฏิบัติกันให้สม่ำเสมอไม่ใช่ว่าต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งต่อไปคนนั้นก็ขี้เกียจคนนี้นก็ขี้คลานผลที่สุดก็เลยไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ อย่างนั้นใช่ไม่ได้นะให้หมูเพื่อนอระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ทั้ทงผู้น้อยผู้ใหญ่ผมไม่ได้ว่าใครๆทั้งหมดตั้งแต่ผมเลยละเป็นต้นไปผมก็มองผมเองอยู่ตลอดว่าการวางตัวของผมเนี่ยเป็นยังไงแต่ถ้าว่าหมูพวกเพื่อนเห็นการวางตัวของผมไม่ถูกต้องนะผมก็ยินดีที่จะรับฟัง ทั้งคำพูดและเป็นตัวหนังสือขึ้นมาก็ได้ผมจะรับฟังแต่ก็ผมก็จะชี้แจงให้ฟังว่าเป็นยังไงในเมื่ออยู่ในสถานะนี้มันก็ต้องได้เกี่ยวข้องกับคู่กับคนที่เป็นหัวหน้าหมู่พวกเพื่อนไม่ได้ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับผู้คนและเป็นยังไงในฐานะของเราที่มาเป็น ผู้ใต้ลูกศิษย์ถึงจะว่าไม่ยอมเป็นลูกศิษย์แต่ก็อยู่ใต้ในวัดเดียวกันเนี่ยก็ให้ตรวจตาดูของพวกเราทุกทุกท่านนั่นแหละแล้วก็อย่างพวกเรามาสาราตอนเช้าเนี่ยเวลาเท่าไหร่ตีห้ า, านเียก็ต้องพยายามให้มาให้ได้เพื่อจะมาทำกิ จ, จวัดข้อวัดร่วมกัน ไม่ใช่ใช้สายมาแล้วก็ดูดได้ดูได้มาก็ววางปูเสร็จแล้วก็ไปบินทบาทโดยที่ไม่ได้ทำอะไรถ้าว่าเป็นบางวันมันก็ อ, อีกอย่างหนึง่งถ้าทาเป็นอา จ, จินเนี่ยมันหนักนะให้สังเกตตัวเองนะมันหนักนะมันหนักใครหนักผู้กระทาเพราะผมเคยอยู่กับครูบาอาจารย์องค์หนึ่งผมเคยเล่าให้เพื่อนฟังผมชอบอากับกิริยาของครูบาอาจารย์ทุกอย่าง เข้ามาแล้วทำ ร, รมเทศนาอักบับิกริยามีน้ำใจโอภาปาศรัทธายาตโยมผมชอบหมดแต่ผมไม่ชอบตรงที่ว่าพระในวัดไม่พร้อมเพียงสมัครีกันในทากิจวัดเวลาปัดกวาดก็หนักพอแรงอยู่แล้ววัดกว้างจากนั้นก็ลงมาปัดกวาดพอปัดกวาดเข้ามาที่นี่ พอตักน้ำต้องโยกน้าขึ้นมาจากบ่อไม่มีใครมาทำถ้าเราไม่ทำก็ไม่มีน้ำที่จะล้างบาทถ้าเราทำก็บเพียงสองสามองค์ทีนี้เราก็ทำทำทุกวันทุกวันเห็นว่าเราทำหมูก็ยิ่งล่า ถ, ถอยออกไปอีกเราก็เอ๊ะ เรามานี่เราก็ไม่ใช่ว่าเรามาเพื่อการศึกษาเราไม่ใช่มาที่จะมาอยู่ที่นี่จริงๆเรามาดูถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้แปลว่าการศึกษาของเราจุดนี้ไม่ค่อยดีควรจะหาที่ศึกษาใหม่แต่เราชอบแนวทางขององค์ท่านแต่เราไม่ชอบในการกระทาของหมู่พวกเพื่อนไม่พร้อมเพียงสามัคคีกัน ในทาในการทากิจวัดจากนั้นผมก็ได้ลาท่านออกไปโซแสวงหาครูบาอาจารย์หลายหลายวัดผลที่สุดก็ได้เข้าไปอยู่ที่วัดป่าบ้านตาปี2512พอเข้าไปเออเสมอกันทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยให้ความสนใจกันทั้งหมดทั้งผู้น้อยก็ไปสูบน้ำ พระผู้ใหญ่ก็ไปปัดกวาดไปถูสาลาชั้นบนตั้งแต่หลวงปู่บุญมีหลวงปู่ลีพระผู้ใหญ่ช่วยการทำคือผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยเป็นผู้น้อยผู้น้อยก็ทำงานหนักแต่ผู้ใหญ่ก็ทำงานเบาคือปัดกวาดทำความสะอาดบนสาลงสาลาผู้น้อยก็ไม่ต้องคิดว่าผู้ใหญ่เ็าทำแล้วทั้งผู้ใหญ่ก็คิดว่าผู้น้อย ขนน้ำไปใส่ห้องน้ำแล้วก็กุตติต่างๆเขาทำกันต่างคนต่างแยกการทำผมเห็นแล้วผมพอใจสบายใจกับกิ จ, จวัตรข้อวัดอย่างนั้นที่วัดป่าบัานตะอันนี้ผมทำไมมาพูดให้แก่พวกท่านทั้งหลายพวกเราทั้งหลายฟังนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้หมู่ช่วยๆกันคิดเหมือนกัน มันหนักหนาอย่างไรมันถูกต้องไหมที่อากับกิจยาของพวกเรามาอยู่ที่นี่แล้ววางตัวอย่างไรอยากจะให้พวกหมูช่วยกันคิดคิดหรือประชุมหาลือกันก็ได้ที่ผมพูดนี้เป็นยังไงนะอยากจะให้หมูช่วยกันคิดเวล่เวลาเป็นยังไงให้มันถูกต้องถ้าผู้ใหญ่ทําไม่ดีแล้วเด็กเอาเป็นตัวอย่างนะจากนั้นกับ คนนั้นช้าบางังคนนี้ช้าบาังไม่กล้าที่จะพูดกันเพราะเหตุไรก็เพราะว่าต่างคนก็ต่างอึดอัดเหนื่อยหน่ายด้วยกันทั้งหมดผลี น, นสุดก็เลยไม่เป็นผลดีในการอยู่ร่วมกันผมว่าถึงจะเราจะอยู่ณนะสถานที่ใดก็ตามนะถึงจะอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดถ้าทําไม่ดีหรือทําดีมันก็ดี ถ้าทำไม่ดีมันก็ไม่ดีมาอยู่ที่นี่จะทำดีก็ดีถ้าทำไม่ดีมันก็ไม่ดีอย่างเราเพราะเหตุไรเพราะกิ จ, จวัตรข้อวัดมันย่อห ย, ย่อนถึงจะไปอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ดีแต่ถ้าว่ากิ จ, จวัตรเข้มแข็งแล้วอยู่ที่ไหนมันก็ดีถ้ารู้จักบริหารประมาณตนเองเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายที่ผมพูดตรงนี้ให้พวกเราท่านทุกท่านนะ มองดูตัวเองว่าการอยู่ที่นี่ไม่ใช่ว่าจะอยู่แบบสบายๆเหยียบย่ำทำลายกดรละเบียบหลักพระธรรมไม่ในผมที่เป็นหัวหน้าผมก็ไม่สบายใจถ้าว่าหมูพวกเพื่อนทำตัวไม่ไม่เหมาะสมเพราะนั้นถึงยังไงก็ตามหมูที่เคยอยู่วัดป่าบ้านตากก็ควรจะยึดแนวแถวองหลวงตา ท่านพาดำเนินอย่างไงถ้าทำอย่างนี้องค์หลวงตาตำหนิไหมถ้าทำอย่างนี้องค์หลวงตาไหวย่างไงอันนี้พวกเราควรจะคิดไว้ในใจเสมออย่าทำอยู่ที่ไหนทำตามอำเภอใจทำตามมาถาใจผมว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่เป็นหลักธรรมวินยัยเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆองค์นะ ที่ผมพูดทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้พวกเรามองดูตนเองผมเองก็จะมองดูตนเองเหมือนกันนะพวกเราทุกทุกท่านให้มองดูตนเองเหมือนกันผู้น้อยก็ให้มองผู้ใหญ่ก็ให้มองและผู้ใหญ่ให้เตือนผู้น้อยถ้าทำไม่ดีก็ให้บอกกล่าวกันได้แต่องค์ไหนบอกกล่าวแล้วแสดงปฏิกิริยาไม่เชื่อฟัง ไม่ยอมฟังผู้ใหญ่ไม่ยอมฟังเหตุผลและให้บอกผมอันนี้ผมพูดไว้เสมอให้บอกผมผมจะเตือนเองแต่ถ้าว่าผมเตือนไม่ได้แล้วไม่รู้จะรับไว้ทําไมรับไว้ให้หนักวัดผมรับหมูพวกเพื่อนมาเพื่อนแนะนำสั่งสอนแต่ถา้าเมื่อสั่งสอนไม่ได้ผมจะรับไว้ทําไม มากขี้ควายหลายขี้ช้างไม่เกิดประโยชน์เพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะผมพูดทางนี้ทั้งนั้นผมไม่ได้พูดเจาะจงแต่ว่าพูดให้พวกเราได้คิดตามแนวแถวที่พวกเราเคยประพฤติปฏิบัติมาเป็นยังไงนะผมเองของผมก็เคยอยู่กับครูบาอาจารย์มามากต่อมากถ้าจะว่าไปผมอยู่กับครูบาอาจารย์เป็นเวลายี่สกว่าปี เป็นพระส18ปีเป็นเนน8หัวเข้าไปซิเป็นเท่าไร่อันนี้เพื่อการศึกษาของผมจากนั้นผมก็ได้มาเป็นหัวหน้าเมื่อเป็นหัวหน้าการวางตัวเป็นหัวหน้าเป็นยังไงจะให้ผมทำกิจวัตรข้อวัดอย่างหมูทุกอย่างก็คงจะเป็นอย่างนั้นลำบากเหมือนกันเพราะผมเกี่ยวข้องกับสัตไทยญาติโยมแก่คนที่มาเกี่ยวข้องบางครั้งกั พ, พระอมพระอ่นเหมือนกัน แต่จะทำยังไงได้เขามาห า, ามาแต่ไกลเราก็ต้องตอนรับขับสู้ถ้าปุรปปับมาเราไล่หนีเฉลยเราก็ยังเป็นผ้าน้อยผ้าหนุมอยู่มันดูก็กระไรอยู่อีกเหมือนกันถ้าเราแก่กว่านี้เอิมผมคิดว่าคงจะใช้มาตรการอย่างนั้นได้เพราะเหตุไรเพราะว่าเราแก่แล้วมาออไปไ ป, ไปพอลวขนาดนี้ อันนี้พอมาพูดําคคำสองคำจะไปพูดอย่างนั้นขึ้นมาเลยเดี๋ยวเขาก็จะหาว่าไม่รู้จังหว่าผมเองเนี่ยแหละเป็นคนคิดเองเหมือนกันเถอะเอ๊ะเราพูดอย่างนั้นมันจะเกินไปหรือเปล่าจยางนี้เพราะนั้นบางสีบางครั้งถึงจะเหน็ดเหนื่อยก็ได้พูดได้คุยกับเขาเพราะเขาตั้งหน้าตั้งตา ม, มาเพื่อจะสนธนาปารพบในบางสิ่งบางอย่างแต่บางครั้งก็บางเออหนอหอกไปแล้วก็จบไป แต่ถึงยังไงก็คิดว่าผมเองจะเป็นผู้ประเมินเองว่าเกิดประโยชน์มากน้อยแค่ไหนสำหรับที่ได้พูดคุยหรือว่าสนทนาปารัในเรื่องต่างๆเหล่านั้นอันที่ก็คือหัวหน้าสมภารต้องได้รับภาระอีกแบบหนึง่งถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายได้เป็นหัวหน้าพวกท่านจะรู้เองของพันนี้จะวางตัวอย่างไรถาาว่า เราได้เป็นหัวหน้าแล้วเราจะรู้ว่าจะวางตัวยังไงในเมื่อคู่คนก็ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าว่าวางตัวไม่ถูกก็อย่างว่าอีกเหมือนกันมีมากตัวมากเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้ตั้งอกตั้งใจผมพูดทั้งนี้ก็เพื่อกดกระเบียบในการเป็นอยู่ร่วมกันสรุปแล้วก็คือเรื่องศีลทั้งหมดนั่นแหะกิ จ, จวัตรข้อวัดใครอยู่ที่ไหนให้รู้จักหน้าที่ ดูห้องน้าห้องท่าก็ให้ช่วยช่วยกันดูใครจะทำอะไรผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่ใช่ปล่อยปลวเลยเสยเหมืยไม่ได้เลยผมไม่เห็นด้วยอย่างมากอย่างน้อยผู้ใหญ่ก็ต้องมาดูดูไกลๆมาดูมาแลเดินผ่านๆแล้วก็บอกชี้นำชี้แนะว่าทำอย่างน้นทาอย่างนี้ถึงจะไม่ทำเองก็เดินให้มาเป็นเ ว, เวลาให้มาดู มันไม่ใช่ว่าเฉยเมยจนไม่รู้จักกิจจะวัดข้อวัดมันไม่ถูกผมว่านะเอี่ผมเคยอยู่กับครูบาอาจารย์ที่วัดป่าบ้านตาดมาแล้วเป็นยังไงอืมแล้วอาจารย์เคยอยู่บ้านตาดเป็นยังไงถูกต้องไหมที่ผมพูดเนี่ยฮะหรือผมพูดผิดฮะผมกล้าพูดได้สมัยผมอยู่นะ แต่เดี๋ยวนี้ผมไม่แน่แต่สมัยผมอยู่เป็นอย่างนั้นจริงๆพอสมัยเป็นผ้าน้อยผมก็ลงไปถูกน้าพอเห็นหมู่มากขึ้นมาผมก็มาถูสาก ะ, ะกับหลวงปู่บุญมีปูรีแล้ละกพระผู้เท่าถูสาระทำความสะอาดบริเวณสาระทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เรามันแสนสบายแสนสบายจนลืมตัวทั้งหมดจนไม่รู้จักกิจวัดข้อวัด ผลที่สุดก็เละเละ เ, ละเละทะเ ท, ะทะมากขี้ควายหลายขี้ช้างอยู่ด้วยกันไม่ถูกนะเพรว่านะให้พวกเราพัฒนานตัวเองนะปรับปรุงแก้ไขตัวเองนะใครรับผิดชอบยังไงก็ให้ช่วยๆกันดูถ้าว่าเป็นอย่างนี้ผมหนักใจถ้าพูดไปแล้วนะผมหนักใจผมผู้เป็นหัวหน้านหนักใจหเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายให้ช่วยๆกันปรับปรุงแก้ไขจะทํำยังไงกิ จ, จวัตรข้อวัด ให้เข้มแข็งทำเป็นเวลำเวลาจากนั้นก็เลิกเวลาหยุดพูดคุยกันก็ให้รู้จักประมาณอย่าไปคุยกันเสียงดังจนเกินไปที่โรงน้ํพร้อนผมนั่งอยู่ผมได้ยินนะแต่ผมก็อึดอัดเหมือนกันบางครั้งรู้สึกเสียงดังไปไม่ถูกต้องแต่ตัวเองไม่ได้ยินหูกับปากตัวเองอยู่ใกล้ๆกันแต่ผมอยู่ไกลๆผมได้ยินนะเพราะนั้นให้ระมัดระวังเสียงน่ย เป็นอันตรายต่อสมาธิพระกรรมฐานไม่ควรจะใช้เสียงดังพูดอย่างนั้นได้พระกรรมฐานไม่ควรจะใช้เสียงดังพูดอย่างนั้นได้นะอ่ที่อยู่บ้านตาดเป็นยังไงพระคุยกันเป็นยังไงหลวงตามาเนี่เหมือนกับไม้ปิดปากมันคุยกันไม่ได้พอา น, นมาอยู่ที่นี่ พวกเรามาอยู่ที่นี่พูดกันเสียงอดตลมเฮลมเหมือนกับโลงเล่าโลงสุลามันถูกไหมสิ่งเหล่านี้ก็ให้พวกเราโอปัญิโกนะตรวจตราดูตนเองนะวันนี้ผมให้แนวความคิดสำหรับหมู่พวกเพื่อนให้นำไปพิจารณานะต่อ น, นี้ไปสวดท้ายปฏิโมก